สาธาชนพุทบบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพูดกันหรือว่าคุยกันเพื่าปรรลเรื่องราวที่มาในพระพุทธศาสนาคือเรื่องของพระโชติกะเทระต่อเป็นนั้นว่าในคราวที่แล้วว่ากมาถึงไหนก็หวังว่าบรรดาท่านทั้งหลายยังคงจำได้ สาหรับวันนี้จะได้พูดต่อไปตอนนี้ตามข้อเท็ชื่อว่าแช่ดิ้งกุมารได้เป็นเศรษฐีเพราะว่าภูเขาทองผุดซึ้งขึ้นใกล้เรือนเรื่องนี้ต้องดูคนดีเหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เป็นกฎของกรรมความจริงกฎของกรรมเดิมทําความดีได้ดีทําความชั่วดีชั่ว เราให้ทานมีผลเป็นมหาเศรษฐีเราขโมยมีผลเป็นยาจกเรื่องเรามันมีอยู่เที่ยวสมเด็จพระบรมครูทรงรับรองแต่ว่าคนสมัยนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นอาตมาไม่เกี่ยวเพราะอาตมาผู้พูดเป็นคนเก่าเป็นคนแก่เป็นคนโบราณเมื่อคนโบราณบราณก็ต้องเชื่อโบราณบราณกันไว้เสมอ คุยกันต่อไปขั้นเวลาที่ชดิงกุ ม, มานั้นเข้าไปสู่เรือนเมื่อธรณีประตูของเขาคําว่าธรณีประตูนี่ก็หมายถึงว่าไม้ที่มันกั้นอยู่ที่หน้าประตูแนตะ่ที่เราจะต้องข้ามเป็นคันเล็กๆเป็นกั้นอยู่ตรงนั้นท่านกล่าวว่าเหยียบแล้วด้วยเท้าข้างหนึ่งคือเขาก็ไปในเรือนนั้นเขาเหยียบทรณีประตูด้วยขาเท้าข้างหนึ่ง ภูเขาทองประสูงประมาณแปดศอกก็ช่ำแรกแผ่นดินผุดขึ้นมาให้กล่าวว่าที่สวนน่าท่านบอกว่าไอ้ภูเขาทองนะ่ะมีประมาณแปดศอกก็แปดสิบอกเขไม่ใช่แปดศอกดูเลขผิดไปเห็นจะเป็นยาวแปดสิบศอกกว้างแปดสิบศอกสองูงแปดสิบศอกหน้าเขาจะเป็นอย่างไง ถ้ามาอย่างไงก็ไม่ได้ภูเขามันก็โผล่ขึ้นมาจากดินณที่ส่วนอันมีเขกอาทเ้ยภาษาบาลีทันยงขึ้นมาหลังบ้านเขานั่นเองส่วนหลังข้างเรือนเท่ามาอย่างนั้นขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาหลังบ้านเขาตอนนั้นพระราชาได้สดับข่าวว่าภูเขาทองจำแรกเป็นดินโผล่ขึ้นมาใกล้เรือนของชัดินกุมาร พระราชาจะได้สรงฉัดก็ไดีข่าวนะคำว่าฉัดเนี่ยเป็นตำแหน่งของมหาเศรษฐีในสมัยนั้นคนที่เป็นมหาเศรษฐีต้องรับการแต่งตั้งจากพระเจ้าแันดินจึงได้สรงฉัดสำหรับเศรษฐีไปพระราชทานเกเขาเขาจะได้มีชื่อว่าชาติละเศรษฐี หรือว่าชา ด, ดินเศรษฐีนะภาษาบาลีท่านเรีย ก, กว่าชาดินลเสรษฐีเขาภาษาไทยๆแล้วก็เรียกว่าชาดินเศรษฐีเขามีลูกชายเขามีบุตรสามคนเศรษฐีคนนี้ต่อไปมีลูกจะสามคนตอนนี้ท่านนายบอกว่าชา ด, ดินเศรษฐีให้บุรุษเที่ยวสืบหาเศรษฐีที่มีสถานะเสมอกับตน นี่ความจริงเขาคงไม่ได้เบ่งหรือจะเบ่งก็ไม่ทราบฟังยากเป็นกันนะถ้าไม่รู้ใจเขาอ่ะเขาไปให้คนใช้ไปดูว่าไอ้ใครโนาที่จะมีสมบัติสมัยได้เราเรามีไหมเขายังจิตคําแล้าเขามีความคิดเกิดขึ้นในการจะบวชน่ให้เวหาสืพาคนที่มีสมบัติเสมอยกับตนแต่ว่าท่อเรื่องท่านบอกว่าเขาคิด ว่าต้องการจะบวชแต่ว่าต้องรอเวลาที่บุตรของเขาเหล่านั้นเติบโตเจริญวัยดีแล้วแล้วเจนิคิดว่าถ้าตระกูลเศรษฐีที่มีทรัพย์เสมอด้วยเราจักมีขึ้นมาที่ไหนก็ตามบุตรของเราทั้งหมดเราก็จะให้บวชได้เอ๊ อันนี้หมายความเ้าคิดว่าเขาน่ารวยที่สุดหรือว่าเป็นคนรวยที่สุดในโลกนี่แหละมีพวกเขาทองคําสูงแปดสิบซอกยาวแปดสิบซอกกว้างแปดสิบซอกยิ่ให้สืบ ด, ดูว่าถ้าใครรวยเท่าเราแล้วก็เราจะให้หมดมัวลูกชายทั้งหมดในบวดถ้าบังเอิญมีนะแล้วก็คิดต่อว่าลูกทั้งนั้นทั้งหมดก็จะต้อง ไม่ให้อะไรของท่านเน้ะแม้บรลีนี่ยุ่งจริงๆนะสํานวนของท่านนี่อาจจะว่าเป็นภาษาง่ายๆมันก็จะพรู้เรื่องเพราะตนใหม่ท่าแต่กุลเศรษฐีที่มีพูกสิ์สมบัติเสมอที่เราทั้งหลายจักมีแล้วใช้หมด ท, ทั้งหลายก็จักให้บทได้เอาหมายความว่า ถ้าไตรกูลนี้มีเศรษฐีที่มีฐานะเสมอกับเขามีอยู่ถ้าเวลาที่จะบวชลูกก็คงจะบวชให้อนุญาตให้บวชถ้าหากว่าเศรษฐีที่มีฐานะเสมอกับเขาไม่มีบึตก็จะไ ม, ม่ยอมให้เขาบวชท่านกล่าวว่าในชมพูทวีปไตรกูลที่มีเพื่าทรัพย์เสมอได้เราทั้งหลายมีอยู่หรือ นี่เขาคิดของเขาอย่างนี้จึงให้หนายช่างทําอิฐที่สําเร็จไปได้ทองนี่ศัตว์ประสาวรีก็คือเอาทองคํามาทําอิฐแล้วก็ทําดั้มประตักสําหรับเอาสําเร็จได้ทองอิฐเอาทองคํามาทําดั้มประตักแล้วก็เอาทองคํามาทําเขียงเท้าเอามาทํารองเท้าเพื่อต้องการยาทดลองดู แล้วก็อะไรให้ในมือเอเถอะยแล้วก็ส่งให้แก่คนทั้งหลายบุตรทั้งหลายให้ไปส่งข่าวว่าพวกเจ้าจงไปหรือว่าเอาเอ า, เอาทองมาทำอิดแล้วทองมาทำประตักเอาทองคำมาทำรองเท้าก็ส่งให้วันดาคนทั้งหลายที่เขาใช้ไปสืบตระกูลมหาเศรษฐีเนะี่ยว่าใครจะมีเหมือนเราไหม เึ่งราว่าพวกเจ้าจงไปจงเอาอิฐทองคำแล้วก็เอาอะไรระลองเท้าทองคำบะตะทองคำเหล่านี้ทำเป็นเหมือนแลดูอะไรละถือไปแล้วทำเป็นคล้ายๆไม่สนใจเดินไปในยมภูทวีปแล้วจงไปสืบดูว่าแต่กุลเศรษฐีไหนที่มีทรัพย์เสมอที่เรามีแล้วหรือ ถ้าเห็นเห็นว่ามีก็จง ม, มานะถ้าไม่มีอย่าเพิ่งมาไปให้มันทั่ษชมพูทวีตเนี่ยถ้าทั่วจริงๆแล้วก็เห็นมีแล้วไม่มีก็มาได้ตามบาลีงแส่ง ว, ว่าคนทั้งหลายเรานั่นเที่ยวจาริกไปถึงพัทยาคนาครพัทยานครนี่เป็นคนครที่มีความเจริญมากดางหัวข้อ ทั้งกล่าวว่าพวกบุรุษพบเมรากาศเศรษฐีโศรษฐีคนสาคัญใช่ไหมนี่ปู่นาวิสาขานี่นี่มาชนกันเขแลคนนี้รวยไม่รู้ไม่รูรร้จะจนมีเงินนับไม่ได้เหมือนกันทั้งกล่าวว่าเวลานั้นท่านเมนิคต้องบรรากาศเศรษฐีให้บุรุษเหล่านั้นแล้วยิงถามว่านี่พอคุณพวกท่านนี่ยที่ยวไปทําอะไรกันนะ พวกเขาก็กราบเป็นว่าพว ก, กผมนะ่เที่ยวดูสิ่งใดเชียงหนึ่งคือเที่ยวชมสิ่งของต่างๆเขารับเขามีความรู้สึกว่ากิดด้วยการถืออิดที่ทำด้วยทองคำาตลนนี้เป็นต้นเราเที่ยวถือไปก็เพื่อจะตรวจดูสิ่งอะไรๆนั่นแหละของบุรุษนี่เป็นอันว่าท่านบรรยากาศสศีคิด ว่าเจ้าพวกนี้มันถืออิฐทองคําถือรองเท้าทองคำแล้วถือว่าตักทองคำเนี่ยก็เที่ยวไปเพืุ่ยดูสิ่งอะไรๆเขาก็ต้องคิดว่าเนี่ยเขาไปดูอะไรกันนะของพวกนี้เนี่ยมันมีความหมายอะไรของมันย่อมไม่เห็นจะมีเลยถืออิฐทองคําบ้างถือรองเท้าทองคําถือว่าตักทองคำเท่าเดินเล่นเดินชมของต่างๆ ดีไม่ดีก็ยังตายเพราะผู้ร้ายมันอยาฆ่าตายถ้าเวลานี้ไม่ต้องถึงอิฐทองคําแล้วเพียงแค่ทองคําหนักเสลิงเดียวทําแหวนนี่ไม่ค่อยเย็นได้ยังตายนี่ดีนะเจ้าคนนั้นมันมาเกิดในสมัยนี้เนะี่ยแต่เกิดในสมัยนี้มันเป็นผีเฝ้าแผ่นดินไป น, นานแล้วนี่สนแสดงว่าคนสมัยนั่นเขามีกําลังใจดีกว่าคนสมัยนี้มากหาโจรผู้ร้ายไในยาก หมคนทีอิตทองคำรองเท้าทองคำประตัดทองคำเที่ยวไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยคนทั้งหลายเหล่านั้นมันช่างโ ง, ง่จริงๆไม่ฉลาดทุนคนสมัยนี้แต่คนสมัยนี้เป็นศพแล้วเก็บเสียเรีย บ, ร, ย บ, ร, ยบร้อยเพราะไม่รู้ของนี้มีค่าเอาคุยกันต่อไปถ้าคิดว่าบุุษเหล่านี้เนี่ยเที่ยวสืบสนดูแต่คนมหาเศรษฐีมากกว่านี่ถ้าเป็นคนฉลาด ท่า น, นากาศเศรษฐีนี่ก็มีประวัติประหลาดเั้นกันโอ้โหประวัติน่าดูท่านยังได้กล่าวพูดขา่านี่พระคุณพท่านยังเข้าไปตรวจดูในหลังเริงของขเราดูมองสิเห็นั้ยล่ะเนี่ยไปเจอเศรษฐีสำคัญของแล้วคือท่านาทราบทีเดียวว่าเจ้าพวกนี้ต้องมาอดโชว์ความร่ำรวย ควา ม, วมร่ำรวยของตนหรือควา ม, วมร่ำรวยของนายอีทธิอิททองคำทือบัจจักทองคํ า, าทอือท่าทองคําเท่ดูไอ้เรื่องที่ถือของทั้งหลายเหล่านี้มาดูแล้วมันไม่ควรที่แท้เขาก็จะอวดความเป็นมหาเศรษฐีทั้งท่านเมรากาศเศรษฐีก็เลยท่านฉลาดพอนี่ก็บอกว่าเอานี่พวกเธอ เที่ยวดูข้างนอกข้างหน้าเี่มันไม่โกกถ้าทางที่ดีแล้วไปดูหลังบ้านฉะนนั่นนหะมันมีของประหลาดประหลาดอยู่เยอะเป็นกันบางทีพวกเธออาจจะไม่เคยเห็นมันดาวคนทั้งหลายหล่านั้นเข้าไปหลังบ้านท่าน <c oughs> ไม่มองเห็นแพะทองคำตั้งเยอะแยะโอ้โหแพะทองคำนี่เกลื่อนฟูงไปเลยเนี่ย วาลีท่านยอมมีประการดังกล่าวแล้วในหนนหลังจำได้หนนหลังเท่าไหร่ยังไงมีตัวหนึ่งขนาดเท่าช้างก็มีไม่ใช่ตัวหนึ่งนะหลายๆลายตัวขนาดเท่าม้า ก, ก็มีขนาดเท่าโคตัวใหญ่ๆก็มีซึ่งเอาหลังจดหลังกันจำแรกเป็นดินงขุดขึ้นมาแล้วในที่ประมาณแปดการีต ไอ้การีี่มัน300สามร้อยเซ้นตายโหงแล้วแต่นั่นจะมีพวกเขาแปดสิบซอกดี โ, โอโหการีดนี่ประมาณสามเส้นนะแล้ว300สามร้อยเสนจะไม่ได้เอ า, อางี้เราเป็นเส้นๆกแล้วกันอย่าน้อยดีสุดก็หกสิบว่าการีดหนึ่งนะแล้วไม่ไงั้นก็ปลาไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไมา้การีดมันมันเยอะแยะะยาวมากการีดนี่เกินกว่าหนึ่งไร่ ถอาจจะเป็นหลายสิบไร่เขาแค่ไร่เดียวก็พอแนละ้วเขาเี้กแต่ไร่ดาาเดียวแปดจารีจะเนื้อที่กว้างยาวแปดไร่แล้วก็มีปริมาณยาวเหยียดที่หลังเรือยงของท่านนั้นเต็มไปได้วยแพทองคําช่างทองคํามาทองคําโคทองคําเต็มไปหมดเปน็นระยะทางเป็นโยดยอด บรรดาคนพวกนั้นเดินไปเดินมาชมไปชมมาแล้วก็ออกไปเมื่อท่านมหาเศรษฐีเห็นพวกนั้นออกมาแล้วถามว่ายังถามเพราะว่าพวกคุณพอทั้งหลายท่านเที่ยวไปดูตรวจ ด, ดูผู้ใดผู้นั้นโคท่านเห็นแล้วหรือยังหมายความไอ้ที่เจ้าอยากจะจดูความเป็นมหาเศรษฐีที่นายของเจ้าสั่งมาเนะี่ยแต่ท่านไม่ได้พูดตรงตรง พระท่านรู้ทันว่าสิ่งทั้หลายแล้วนั่นท่านเห็นแล้วหรือยังมันได้คนพวกนั้นก็บอกวยเห็นแล้วขอรับแล้วพวกอแล้วก็คนพวกนั้นก็กล่าวว่าท่านขารับผมเห็นแหมทําไมมันถึงมากอย่างนี้ท่านมหาเศรษฐียิ่ได้บอกว่านึ่คุณถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกท่าน พวกเจ้าจงกลับไปเถอะความประสงค์ของเจ้านายที่ทรงเจ้วกเจ้ามาเนียเราทราบทราบว่าเขาต้องการว่ามหาเศรษฐีที่ไหนจะร่ำรวยเท่าเขาหรือไม่นั้นมีหรือเปล่าถ้าถ้าหากว่ามีแล้วก็มีหรือไม่มีเนี่ยเราไม่ทราบว่าเขาจะมีความประสงค์อะไรก็จะไปบอกกับเจ้านายเขาบอกคนที่เป็นมหาเศรษฐีอย่างเจ้านายของเจ้า หรืออาจจะน้อยกว่าเจ้านายของเจ้าหน่อยแรือเอะมากกว่าเจ้านายของท่านนิด mm. ก็อาจจะเป็นได้มีอยู่ในโลกนี้บรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นลาท่านมาหาเศษรษฐีกลับเมื่อเสดเมื่อเข้าไปถึงบ้านแล้วเจ้านายของตนคือชาติลาเศรษฐีชาตินเศรษฐีเอย่ยถามว่านี่พ่อคุณเลยเธอไปในที่ไหนไหนมาแล้วเนี่ย ไปพบแต่กุลเศรษฐีที่มีทรัพย์เสมอได้เรามีบ้างหรือเปล่าคนพนั้นก็กราบเรียนว่านายเขารับมีมีนะนายท่านจะมีอะไรก็งั้นสมบัติชื่อว่าปานนี้ของเวนกาศเศรษฐีมีอยู่ทงเยอะในพัที่นครเขาว่าสมบัติทั้งปานนี้ก็หมายว่าไอ้ทองคำที่เป็นภูเขาอย่างเนี้ แต่บ้านของเบนดาการเศรษฐีในพัทยาในก่อนมีมากกว่านี้เยอะแล้วเขาจึงเล่าจึงได้บรรยายเรื่องราวต่างๆให้ท่านเฉลินเศรษฐีทราบท่านเฉลินเศรษฐีจึงอตอนนี้เป็นหัวข้อทบทเสด็จเศรษฐีให้สืยบสอบเป็นขั้งที่สองนี่ยังยังไม่พอการสืยบแตกูลให้เราแบ่งแตกูลกัน ต่ามหาเศรษฐีเนี่ยมีได้ฟังคำอย่างนั้นแล้วก็มีใจแช่มชื่นคิดว่าตระกูลเศรษฐีเมื่ตระกูลเศรษฐีเราได้ไว้ก่อนแลแ้วตระกูลหนึ่งหมายความต้องการคนรวยที่จะมาเป็นเพื่อนกันมหมายหมายถึงว่าไอเรานี่รวยคนเดียวนี่มันรดยไม่ดีถ้าเรารวยมากมากแล้วมันก็ดี ไอ้ ه, ความจริงนี่มันก็ความคิดเป็นความคิดที่ดีของท่านนะไม่น่าตำหนิคือว่าท่านไม่ต้องการรวยคนเดียวไม่ต้องการรวยหลายคนเป็นนั้นว่าแต่กูลเศรษฐีที่มีความ ร, ำร่ำรวยตะกูนหนึ่งเราได้แล้วแต่กูลเศรษฐีที่อื่นมีอยู่อีกหรือไม่สงสัยและจึงให้ผ้ากำพลมีค่าหนึ่งแสน ใสยก็หาวนะันนเท่ากับสี่แสนบาทสี่แสนบาทเนี่ยต้องเทียบไปอัตราทองคำใส่ไมหนะ้าอัตราทองคำเท่ากับราคาสิบหกบาทมาเทียบกับเงินเดียวนี้มันเท่าไรก็ว่ากันไปมอบผ้ากำพลุนให้หนึ่งมีราคาหนึ่งแสนถือไปแล้วก็บอกว่าพ่อทางหลายพวกเจ้าจงไปจงเสาะหาไดกุลเิรธฐีอื่น พวกเขาก็ไปกรุงราชเกิดแล้วก็ทํากองปืนในที่เมฆไกลเตเรงของโชติกาเศรษฐีเอาแล้วแต่จะดินเศรษฐีนี่ก็ไม่รู้จักคนรวยเนี่ยเจอเอาคนสําคัญเขาอีกแล้วสิที่กรุงราชเกิดนี่ก็มีท่า น, นท่านทนโชติกาเศรษฐีเขาก็จุดไฟก็เกลบีบบานของท่านแล้วก็ยืนอยู่ ในเวลาที่เขาจุดไปอยู่นั่นบรรดาคนทั้งหลายที่นั่นมาถามว่านี่พวกคุณทําอะไรกันจ๊ะเขาก็บอกว่านี่พวกฉันพวกฉันนี่จะมาขายผ้ากําพลซึ่งมีราคามากพื้นหนึ่งไม่มีใครจะซื้อเพราะราคามันมากพวกฉันจะถือไปถือมามันก็หนักก็กลัวโจรจะพล้น ตัวเจนนั่นโพฉันย่าผ้าเนี่ยที่ขายไม่ได้เผาไฟทิ้งเสียมีเขาอดความมั่งอดความมั่งมีอดความเป็นสถิอยากจะสืบจะสืบหาว่าใครนเจะรย์สามารถซื้อผ้าราคาตั้งสี่แสนบาทสมัยโน้นนะเวลานี่คงหลายสิบล้านแต่ว่าถ้าเป็นนักการเมืองสขาไม่กี่วันบางทีก็จะได้ได้เงินหลายสิบล้านนี่นะ เขาลือกันเพว่านักการเมืองที่ก็หาเงินเก่งไม่ใช่หมายว่านั่นหมายถึงหมายความนักการเมืองเขโกงแต่คนที่เป็นนักการเมืองจริงๆก็มีความฉลาดในการแสวงหาทรัพย์เมื่อเราจะเห็นว่านักการเมืองที่ฉลาดฉลาดจริงๆเนะี่ยเขาร่ํารวยกันแต่นักการเมืองที่โง่ก็มีเหมือนกันคือว่าได้แต่เงินเดือนอย่างเดียวอันนี้เรียก ว, ว่าโง่เป็นในเป็นนิดหนึ่งแต่โง่ รือว่าทรงอยู่ในได้ของความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดคดตรยศไม่ใช่โกงแต่ว่ากินเงินพิเศษนี่เรียกค่าน้ำมันเวลาเซ็นมันก็ได้เซ็นคราวบางครั้งก็ได้เป็นสิบสิบล้านก็มีเช่นชื่อตัวเดียวนี่จะไปว่าเขาเลยนะเป็นอันว่าพวกนั้นเขาทำท่าจะเผาไฟก็แล้วกัน อดความเป็นมหาเศรษฐียิ่งใหญ่มา่ผ้าราคาแสนหนึ่งนี่มันมันมากเหลือเกินไอผ้ากัมพลีนพื้นไม่โตเป็นผ้าห น, น่งตอนนี้ต่างโัวข้อท่านบอกว่าพวกบรุษพบโชติกาเศรษฐีขนาดที่เขากำลังเบ่งอยนั่นเองท่านโชติกาเศรษฐีเห็นพวกเขาแล้วยึงถามว่านี่พวกนี้พวกคุณพ่อทำอะไรกัน คนนั้นก็บอกตามเดิมบอกผมถือผ้ามามันหนักราคาตั้งเป็นแสนขายก็ไม่ได้ในครัวโจรมันจะลักมันจะปล้นหรในจ่าไฟแล้วจะไฟเผาเสียท่านจึงให้เรียกให้มาแล้วก็ถามว่าผ้ากัมพลของเจ้านมีราคาเท่าไหร่พวกเขาก็บอกว่ามีค่าธนะาคารหนึง่งแสนครับท่านจึงสั่งให้ นำทรัพย์หนึ่งแสนมาแล้วก็บอกว่าพวกท่านจงให้ผ้าพื้นนั่นแกทาสีพวกกวาดสมประตูอยากเยี่ยของเราแล้วคนนั้นนําใจเต้นตึกตึกตึกตึกตึ ก, ตกบอกว่าผ้าราคาหนึ่งแสนกัห้ามนะวนาหรือว่าสี่แสนบาทสมัยโ น, น้นมอบเงินให้แล้วบอกว่าเอา น, อานี้เอาไปให้ก็หญิงรับใช้เนี่ย ที่ก็กขวัดอยากเยื่อที่ส้มประตูของฉันท่านกลาอย่างนี้แล้วท่านก็ส่งให้ในมือของพวกเขานั่นแหละคือเอาเงินส่งให้แล้วแล้วก็ผ้าส่งให้ทาสีคนทําอยากเยื่อส้มประตูทาความสะอาดที่ประตูปัาจกเยื่อให้รับประพากำพลสาหรับนางทาสีคนนั้นรับผ้ากำพลแล้วก็ร้องไห้ตายจริง เออเรื่อนี้มันยุ่งใหญ่ซะแล้วนางทาวสีคนรับใช้คนนั้นน่ะคนคนรับใช้โอ้โหขี้ข้าเขาอ่ะพอท่านมหาเศรษฐีสมภาะกัมพลที่มีราคาแสนให้ไปนางแล้วก็ร้รองไห้แงไม่มาเรื่องอะไรกันนั้นก็เมื่อร้องไห้แล้วก็ไปสู่สำนักของนาย เข้าไปสู่สนาคนนายเขเข้าไปหาเจ้านายเนะี่ยแล้วบอกว่านายเมื่อความผิดมีอยู่ก็ควรจะฆ่าฉันเสียถ้าฉันมีความผิดนะเจ้านายไม่ควรจะทำอย่างนี้เลยนะทำไมเจ้านายฆ่าฉันด้ใจอย่างนี้ล่ะเจ้านายก็ถามวมาทำไมนะเธอ ฉันให้ผ้าราคาดังแสนให้กัะ เ, เธอในเธอไม่ชอบใจหรือนางก็จึงส่งผ้ากำพลเรื่อหยาบนางก็เลยบอกกับเจ้านายเจ้าค่ะผ้าที่เจ้านายเคยให้ฉันใช้เนะี่ยมันดีกว่านี้ตั้งร้อยเท่าพันเท่าเป็นผ้าที่เจ้านายเห็นว่าเลวที่สุดสําหรับคนรับใช้ที่จะใช้ แต่ ว, วันนี้เจ้านายลงโทษด้วยกาลังใจของฉันเพทําทำลายจิตใจของฉันเอาผ้ากบพลเนื้อหยาบอย่างนี้มาดิฉันะดิฉันยันนุ่งจะห่มได้ยังไงเลยเจ้าข้าให้าชวาวบ้านเขาดูที่คนอื่นนะคนอื่นคนคนรับใช้คนอื่นเนี่ยเขาไม่นุ่งกันแบบนี้นี่ตายจริงท่านโชลีกาเสถีเรียกลาว่าในเธอ ฉันไม่ได้ตั้งใจที่ส่งให้เจ้าเพื่อประโยชน์กับการนุ่งหมหรือว่าการไปรองนั่งหรอกนะแต่ว่าฉันส่งผ้ากำพผลบ น, นั้นน่ะผ้าผืนนี้ให้เจ้าเนะ่ะเพื่อต้องการจะให้เจ้าพับแล้วก็วางไว้ใกล้ที่นอนของเจ้าในเวลาที่เจ้าจะนอน จะจะได้เช็ดเท้าคือว่าเราจะนอนจะล้างเท้ามันแล้วก็ผ้าผืนนี้นะีะเป็นผ้าเช็ดเท้าโอโหตายจริงหมายความอ้อนี่เขาเวลาเด็กเขาจะนอนนี่นะเขาจะต้องล้างเท้าโดยนําหอมนะคนใช้วันเนี้แล้วจะได้ผ้านี้เช็ดเท้าต่างหากไม่ใช่ว่าฉันจะให้เจ้าเอาผ้าหยาบๆผ้าเร็วๆอย่างนี้นะ่ะ เอาไปนุ่งไปห่มซึ่งมันไม่สมศักดิ์ศรีก็ทาสีในบ้านของฉันที่ความต้องการของฉันเท่านี้เจ้าจะทําได้ไหมเอาผ้าผืนนี้ไปทําผ้าเช็ดเท้าทาสีนั้นก็กล่าวว่านายเจ้าคะถ้ามีความประสงค์อย่างนั้นแลอย่างนั้นแล้วก็ดีฉันพอจะทําได้เจ้าคะแต่ถ้าว่าผ้าเช็ดเท้าในห้องฉันนั่นเนื้อมันดีกว่านี้ แค่ว่านายมีความประสงค์เพียงเท่านี้ฉันทําได้อรัมดาท่านพุธทธศาส น, นิกชนพวกเราฟังทั้งหลายเรื่องของบารีทั้งบาสํานวนไว้มันอิเลเคคาเคคาเคคาขสํานวนไม่ค่อยจะเรียบร้อยเป็นลายที่ยาพูดกันไปก็จําจเป็นจริ ง, รงๆที่จะต้องอาศัยเนื้อหาของบารีเป็นอันว่าเรื่องขั้นทั้ชนิกาเศรษฐีในตอนนี้เนะี่ย มันยังไม่จบแต่ว่ามันก็จะต้องหยุดหยุดเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันหมดแต่เลยเวลานิดหนึ่งค่านนี้ก็จะต้องขอย้อนถอยหลังกันไปนิดว่าท่านชะดินเศรษฐีนั่นท่านเข้าใจว่าท่านมีทรัพย์สินมากแต่ถว่าท่านไปคนใช่คนท่านไปพบเอาท่านเมรยากาศเศรษฐีเข้ากอง ท่านมาพบโชติกาเรษฐีนี่เขาก็งงใหญ่ทางนี้เพราะอะไรเพราว่ า, าผ้ากำพลมีราคาหนึ่งแสงกหารณะแม้แต่คนใช้ในบ้านยังมีความรังเกียจว่าเป็นผ้าเนื้อหยาบไม่ควรที่จะใช้ตนแสดงว่าท่านโชติกาเสษฐีนี่เป็นมหาเสษ ธ, ธีใหญ่มีทรัพมากคนหนึ่ง ซึ่งอาศัยบุญบา ร, รมีมาแต่ในชาตก่อนแต่ว่าบุญบา ร, รมีนี้จะเป็นยังไงธรรด า, านั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ช่างเถอะเสียฐีที่พูดมาทั้งหมดนี้เวลานี้ปลาว่าร่างกายไม่มีในโลกนี้แล้วต้องตกอยู่นในกฎขั้ธรรมดานี่คือเมื่อความเกิดมีขึ้นมันมีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความแกไม่ไปได้ มีความป่ว ย, ยไข้เป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยความาไข้เป็นได้มีความตายมีความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเวลานี้ท่านตายแล้วความเป็นมหาเศรษฐีก็ทั้งกันหมดแล้วนีบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพ ร, ระบัณฑิตแก้วเมือ่อทราบอย่างนี้แล้วก็อย่าจงอย่ามัวเมาในทรัพย์สินยิ่งเกินไป มิฉะนั้นเวลาตายจะมีความทุกข์หนักสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี